เรื่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นไข้หนึ่งร้สมัยนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นไข้พิษสูตผู้เป็นเทราทั้งหลายเข้าไปเยี่ยมถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีดังนี้ว่าท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพระนางมหาประชาบดีโคตมีตอบว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายดิฉันกําลังไม่สบายจะเป็นไข่อยู่ไม่ได้แล้ว ขอนิมมลพระคุณเจ้าทั้งหลายแสดงธรรมเถิดเจ้าข้าพระเถระทั้งหลายกล่าวว่าการเข้ามาที่สำนักภิกษุณีแล้วแสดงธรรมแก่ภิกษุณีไม่สมควรพากันมีความยำเกรงอยู่ไม่แสดงธรรมครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราวาศถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปเยี่ยมพระนางมหาปชาบดีถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ประทับนั่งบนอัศนะที่เขาจัดไว้แล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วได้ตรัสกับพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้นดังนี้ว่าโคตมีท่านสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลว่าเมื่อก่อนภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายมาแสดงธรรมหม่อมฉันจึงมีความผาสุกแต่บัดนี้ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพระองค์ทรงห้ามมีความยำเกรงอยู่ไม่แสดงธรรม เหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่มีความผาสุกพระพาาุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาและทรงลุกจากอสนะเสด็จไปต่อมาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ แล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าไปที่สำนักภิกษุณีแล้วสั่งสอนภิกษุณีเป็นไข่ได้และจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้